สาครั้งพระองค์มณัิการพรองเข้าสมาบัติจะออกจากพราสมาบัติมีนิพพานเตนารณ์พอเขาสาธุจบพรองก็ออกจากพราสมาบัติแล้วก็ของร้อน <c oughs> เป็นทุกข์เป็นโรคหลีกออกจากสังขารโดยประการทั้งปวงทําไมพระองค์จึงหลีกออกจากสังขารเราก็ตอบได้เลยใช่ไหมทำไมทําไมทําไมทําไมทําไมพระองค์จึงมีใจหลีกออกจากสังขารโดยประการทั้งปวง เพราะว่าไม่มีสังขารใดที่จะไม่เป็นเครื่องหมายแห่งโศกะปริเทวทุกขโทมาอยู่กับอุตายาธเพราะฉะนั้นที่ตั้งแห่งทุกข์ใครจะอยากได้ใช่ไหมสำหรับพระพุทธเจ้าผู้เห็นธรรมอันเป็นความสุขอย่างแท้จริงคือพระนิพพานจิตใจของพระองค์จะโน้มไปในสังขารทําไมเพราะพระองค์ก็เห็นสังขารเป็นอะไรเป็นของร้อนเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลําบากน่าอะไรในสิ่งเหล่านี้เลย พันพ่อองคนี้เนีย่ยนะโยมคนไม่สบายอีกคนหนึ่งเข้าไปใกล้บอกระวังติดเชื้อ น, อนั่นระวังงั้นอังนั้นก็แสดงว่ารโรคเดนนินได้นี่เองอนะะตอนตเปื่อยนะตอนไม่เปื่อยอ้าไม่ใช่โรคอีกแล้วนะแต่จริงๆแล้วก็เชื้อโรค ก, ก็อยู่กับกับกายกับทุกคนนั่นแหละเพราะทุกคนก็จะเป็นโรคติดต่อได้ไปหาแต่ละคนแต่ละคนได้เลยใช่ไหมเพราะขันห้าทั้งหลายคือตัวโรคทั้น เคยเห็นดารณาการนี่แหละเป็นเหมือนโรคเป็นเหมือนฝีเป็นดังลูกศรเป็นความช่ายเป็นความลำบากเป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนเพราะตนไม่มีอํานาจอะไรในสิ่งเหล่านี้เลยพันธุ์โพงเนี่ยเป็นผู้ที่มีพลัสสมาบัติเข้าจตุจัชฌานสมาบัติมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เนี่ยคำสอนที่โพงสอนทั้งหมดจึงชักชวนให้ออกจากวัดตะโดยส่วนเดียว เป็นปัจญานิคตธรรมโดยส่วนเดียวชักชวนให้ออกจากวัฏะเพราะว่าผู้ที่ไปติดข้องในวัฏะเนี่ยนะเพื่อเพลในวัฏะชอบหนึ่งครั้งก็เหมือนกับกลืนเบ็ดหนึ่งทีเคยเห็นสัตว์กลืนเบ็ดไหมเนี่ยลักษณะนั้นสังขารทั้งหลายที่เราไปติดไปข้องเนี่ย น, นะก็เหมือนกับไปเขมือเบ่อมาทีหนึ่งเบ็ดก็ติดมาแล้วก็ลําบากใจแล้วค่ะนี้ท่นพระองค์จึงเห็นภัยของสังขารโดยประการทั้งปวงแต่ในขณะเดียวกันนั้นผู้ที่จะพาออกจากสังขารก็ต้องหลีกด้วย ปัญญาเนี่ยนะลีวออกปัญญาหลีกด้วยปัญญาหลีกด้วยปริญญาสามเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระองค์นี้จึงสอนทำมีแต่การชักชวนออกจากวัตฏะโดยส่วนเดียวดูก่อนอนุนเพราะฉะนั้นเลยถ้าแม้ถ้าภิกษุแม้หวังว่าจะเข้าถึงสุญญาตาสมาบัตภายในอยู่สมมุติถ้าเราเนี่ยปรารถนาจะบรรลุโลกุตระคุณเหล่านั้นเช่นกับพระพุทธเจ้าปรารถนาจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกับพระพุทธเจ้าอันนี้เราต้องทํำยังไง พงษ์บอกว่าเธอพึงดำรงจิตในภายในให้จิตในภายในทั้งหลายเข้าปฐมดิลในภายในให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตเข้าภายในให้มั่นเถิดนะก็คือดำรงจิตให้เป็นสมาธินั้นไม่ต้องเธอต้องทําจิตให้เป็นสมาธิให้เป็นเอกคคตาให้จิตดำรงมัน่นเป็นธรรมเอกผุดขึ้นคือสมาธินเนี่ยผุดขึ้นให้ได้ ดูก่อนอนน์ก็พิสุจะเพึงดำรงจิตในภายในให้จิตภายในสงบทําจิตในภายในให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตในภายในให้มั่นได้อย่างไรดูก่อนอนนลพิสุในธรรมวินัยนี้สง่าจากกามสง่าจารกักุสุรธรรมทั้งหลายเข้าปฐมวชารมีวิตก ว, วิจารปีติสุขเกิดจากวิเวกอยู่แลเข้าทุติยวชาร มีความผ่องใสในภายในแห่งใจเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะสงบวิตกวิจารไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่ เป็นผู้วางเฉยเพืาอนายปีติมีสติสัมปชัญญะอยู่และสเสวยสุขด้วยนามากายเข้าตาติยะฌานที่พระอริยเรียกเธอได้ว่าผู้วางเฉยมีสติอยู่เป็นสุขอยู่เข้าเจตุทะฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพลสะสุขละทุกข์และดับโสมนัตโทมนัตก่อนๆได้มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่อันนี้แหละเรียกราเชื่อว่าดํารงจิตภายใน ให้จิตในภายในทําจิตภายในให้เป็นทําเอกผุดขึ้นตั้งจิตมั่นเอาไว้ในภายในอันนั้นก็คือการได้ฌานนั่นเองหั้นการได้ฌานนั้นถามว่าฌานนี้ได้มาจากไหนบ้างสงบในภายในได้ไหมได้ถ้าพิจารณาภายในจนได้ฌานนี้ได้ฌานเพราะอะไรบ้างหนึ่งอนาตานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ฌานสี่เลยใช่ไหมชุดที่2 อ, อะไรกายคตาสติอสุภาพภายในเนี่ยนะผมขนเล็บฟันหนังก็ได้ฌานที่ ประทมฌานหรือพิจารณาโดยกสินในร่างกายนี่ก็ได้ฌานที่ถึงได้ระดับฌานสี่เนี่ยนะเพราะในร่างกายของตัวเองจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นคว้าวิจัยจนได้ฌานเอาสิเนี่ยนะมีแต่ภายในเป็นอารมณ์ก็มีความสุขได้ะนะอยู่กับภายในร่างกายของตัวเองจนมีความสุขนี่ทําได้ยังไงนะนี่น่าคิดมากเลยนะไม่ต้องแสวงหาความสุขจากนอกตัวเลยนะคิดอยู่ในภายในแล้วมีความสุขอย่างพิจารณาผลจนเข้านี้และกระสินได้ พิจารณาฟันจนเข้าโอทาตะกระสินได้พิจารณาตรงตาที่เหลืองๆตรงนั้นมันค้นในร่างกายก็เข้าปีตะกรสินได้พิจารณาเลือดสีแดงก็เข้าโลพิตะกะสินได้นี่ยท่านก็จริงๆแล้วในร่างกายของเราพร้อมที่จะเข้าฌานได้ตั้งแล้วอย่างถ้าเอามาพิจารณามณสิการพิจารณาจนเยียบคายอันนี้ที่เป็นสมถะใช่ไหมถ้าเป็นนิปัพานาเนี่ยทุกอย่างในร่างกายนี้เอามาทําป็นญาสามไม่หมดเลย ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นก็สามารถเป็นที่เจริญอนุปัสนาจิตทั้งหมดได้เลยเพราะฉะนั้นเหล่านั้นก็ถือว่าเพียงพอที่จะทําให้จิตสงบในในภายในเนี่ยนะทีนี้พิสูจนนั้นย่อมใส่ใจในความว่างในภายในเมื่อเธอกําลังใส่ใจความว่างในภายในคำว่าว่างอะไรทีนี้ว่างยังไงว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากความงามว่างจากอัตตา ก็คือว่างจากความเที่ยงที่จะเห็นว่ามันว่างจากตาเช่นตาว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนเนี่ยเห็นได้อย่างไงเห็นว่าหูเนี่ยว่างจากความสุขจากความยั่งยืนว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเพื่อนี้ก็คือเจริญอนุปัสนา3ามในอนุปัสนาสามหรืออนุปัสนา7ในตาหูโหนกลุ้นกายใจ หรือในผมขนเล็ดฟันหนังเป็นต้นในอายตนาภายในอายตนาภายนอกในธาตุในขันในอายตนะพิจารณาสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าสายใจในความว่างในภายในพิจารณาในภายในตัวเนี่ยโดยปริญญา3เอาทุกอย่างมาพิจารณาโดยปริญญา3ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตาสีหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรส กายโพธพะใจธรรมรม์จักขู่ท่ารูปทะท่าจักขู่วิญญาณธาตุเป็นต้นปัทญาใสาใจพิจารณาอย่างนี้ในภายในจิตก็ไม่น้อมไปอีกสมถวิปัสนาไม่เล่นไป เมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อเรากําลังใส่ใจความว่างในภายในจิตยังไม่เลื่อนตไม่เลื่อมสายยังไม่ตั้งมั่นยังไม่นึกน้อมไปในความว่างในภายในด้วยอาการนี้แหลย่อมเป็นอันเธอรู้สึกตัวคือมีสัมปชัญญะในความว่างภายในได้มีสัมปชัญญะในการเจริญวิปัสสนาพิจารณาภายในเอ๊ะทำไมพิจารณาไปแล้วจิตมันไม่ตายอะ จิตไม่โน้มไปเห็นตามความเป็นจริงโดยอนุปัสนาจิตทาไมเนอะมันจึงไม่ไปอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่2ใส่ใจในความว่างภายนอกอะนะสมมุติเราอย่า ง, งเขามาพิจรารณาอนุปัสนาเป็นต้นในร่างกายของตัวเองเสร็จก็น้อมไปพิจรารณาภายนอกเช่นย่อจารย์สันติมามาพิจรารณาจิตมันก็ไม่เล่นไปอีกนะแล้วเอาทั้งภายในทั้งภายนอกมาเจริญจิตมันก็ยังไม่เล่นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่เล่นไปอย่างนั้นท่าะะ น, นบอกว่าให้ใส่ใจในอ น, อนิเฉชาสมาบัติ คือถ้าเจริญนิัสสนาอย่างนั้นแล้วจิตไม่น้อมไปบอกว่าไม่เป็นไรกลับมาเข้าฌานใหม่เนี่ยนะกลับมาเข้าฌานใหม่มาเจริญสมาธิต่อมาทำจิตให้เป็นอันมั่นเนี่ยนะทสูนันย่อมสายใจอเนนชาสมาบัติเมื่อเธอกำลังสายใจอเนนชาสมาบัติอยู่จิตก็ยังไม่เล่นไปไม่เรื่อมสายไม่ตั้งมั่นไม่น้อมนึกไปในอเนนชาสมาบัติ หมายความว่าเจริญนิปั ส, สนาภายในก่อนเจริญนิปั ส, สนาวัตถุภายนอกทั้งภายในภายนอกเจิตก็ไม่ตายไม่ตายไปเจริญอรูปฌานก่อนอันนั้นก็เรียกว่าไปเจริญในอเนนชาตสมาบัติก็คือกลุ่มอารูปฌานทั้งหลายเจริญารูปฌานอีกจิตมันก็ไม่ตาอีกพอเลยใช่ไหมน้องไปหาอะไรก็ไม่ตายเลยเลิกเลย เพลิงบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพี่สื่รู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อเรากําลังใส่ใจในอเ น, นชาสมาบัติจิตยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมสายไม่ตั้งมั่นยังไม่น้อมนึกไปในอเ น, นชาสมาบัติไอ้ด้วยอาการอย่างนี้และเป็นอันเธอมีสัมปชัญญะในอเ น, นชาสมาบัตินั้นได้ให้รู้ตัวเลยนะว่าสรุปว่าสีอย่างนะหนึ่งที่เรณาอนุทำปริญญาในสังขารภายในตัวจิตก็ไม่ตาย พิจารณาทำปริญญาในสังขารภายนอกตัวมันก็ไม่ไปทั้งภายในทั้งภายนอกมันก็ไม่ไปแล้วอะไรอีกสายใจในรูปประชานอีกจะต่อรูปประชานอีกจิตก็ไม่ไปอีกรู้ตัวว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปเนี่ยนะ เ, เดี๋ยวหาเอาใครเก็บทูบไปกองไว้ที่เดียวกันนะคุณคุณไพทูต ทีนี้ถามว่าพระองค์แนะนําให้ทํำยังไงพระองค์บอกว่าพิชษูนั้นเพ่งดํารงจิตในภายในสรวะกลับมาเข้าสมาธิใหม่ที่เคยได้ที่เคยสงบที่เคยได้สมาธิใดที่เคยเข้าได้สมาธิใดที่เคยเข้าแล้วสงบกลับมาเข้าสมาธินั้นใหม่ ดำรงจิตในภายในทำจิตในภายในให้สงบทำจิตในภายในให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตในภายในให้มั่นในสมาธินิมิตข้างต้นนั้นเลยบอกว่ากลับไปเจริญสมาธิที่เคยทำได้ในตอนแรกเลยนะกลับไปตอนนั้นก่อนถ้าน้อมไม่ตายทีนี้เธอย่อมพอดำรงดรงจิตทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็กลับมาพิจารณาสังขารใหม่พิจารณาสังขารภายในใหม่พิจารณาสังขาร ภายนอกพิจารณาสังขารทั้งภายในทั้งภายนอกหรือไม่ก็ไปเจริญอรูประชานต่อทีนี้พอใส่ใจอย่างนั้นจิตก็เป็นอันเรื่มใสใช่ไหมพอพอถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆนะจิตจะเป็นยังไงเมื่อเธอกำลังใส่ใจในความว่างภายในอยู่จิตย่อมเล่นไปเลื่มใสตั้งมั่นนึกน้อมไปในความว่างในภายใน น, นะเจริญอนุปัสนาได้ทั้งหมดในสังขารในภายใน เมื่อเป็นเช่นนั้นก็รู้ชัดว่าเออเราเจริญภายในจิตก็เล่นไปจากนั้นก็ใส่ใจในความว่างภายนอกเจริญอนุปัสนาเจตในสังขารภายนอกพิ่เจริญนนุปัสนา7จหรือทำปริญญาสามในสังขารทั้งภายในทั้งภายนอกหรือน้อมไปเพื่อเจริญอเนนชาสมาบัต คือผู้ที่ต้องการอ to to to to Ein, it, ุปโตภาควิม <online> awesome. <IM S Museum> like, ุตต in ์เนี่ยต้องไปเจริณารู่ประชานให้ได้ก่อนเจรณารู่ประชานให้ได้หลังจากนั้นก็เจริญวิปัสนาพิจารณาภายในพิจารณาภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกถ้ามีอรู่ประชานเป็นบาทเรียกว่าอุปโตวิโมกเนี่ยนะอุปโตวิมุตติเนี่ยนะอุปโตภาควิมุตต์คือบรรลุโดยส่วนสองบรรลุจากรูปปัจจัยด้วยหลุดพ้นจากรูปปัจจัยด้วยลูประชานหลุดพ้นจากนามกายด้วยด้วยอะไร ด้วยอริยมรรคนี่นะนะถ้าสมกบับบรรลุดโดย อ, อุพโตภาควิโมะาควิมุตเนี่ยนะบรรลุบรรลุ้ห ล, ลุดพ้นโดยส่วน2เพราะฉะนั้นถ้าใส่ใจได้อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าทำสัมปชัญญะในอาเนชชาสมาบัตเป็นผู้มีสัมปชัญญะอย่างแท้จริง น, นะซึ่งตรง น, นี้นะถ้าผู้ที่อบรมสมาธิอยู่แล้วจะฟังเข้าใจไม่ค่อยยากนะัก น, นะเข้าใจสรุปโดยง่ายๆก็คือ 1. ทําทำฉีดให้เป็น สมาธิก่อนทําจิตให้สงบก่อนถ้าได้แล้วแต่ได้ชั้นหนึ่งสองสามสี่ก็ได้อ่นนะถ้ารู้ได้อุปจาระก็ยังดีพอได้อย่างนี้แล้วทําไงต่อไปพิจารณาสังขารหรือเอาสังขารภายในมาทําปริญญาข้อแรกข้อสองเอาสังขารภายน อ, อกมาทําปริญญาข้อสามเอาสังขารทั้งภายในทั้งภายน อ, อกมาทําปริญญาถ้าหากว่าไม่ทําปริญญาก็เจริญอะไรต่อไป เจริญอนเนนชาสมาบัตินี่ถ้าไม่เจริญจะกลับมาร้องให้แบบนี้อีกเนี่ยนะเขามาตือนราประจำเลยนะออนะโทษของวัด ต, ตามเป็นอย่างนี้แหละทีนี้ถามอ่ะอันนี้เนี่เกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธินะแบบผู้มีสติสัมปชัญญะจะไปว่าดูก่อน อ, น, อน์หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อจะจงกรมจะเดินแ้่นะพราะว่านั่งมานานแล้วจะเดินม้่งเธอย่อมจงกรมด้วยสายใจว่า อากูสุธรรมอลามกเข่อพิชาและโทมนะันจักไม่ครอบงําเราผู้จงกรมอยู่อย่างนี้ได้อันนี้แหละเรียกว่ามีสัมปชัญญะในการจงกรมเดินยังไงไม่มีนิวรรคุ้มรวมเมาเลยิเอมียังไงสติอยู่ยังไงให้มีสติเนนทํายังไงเนาะจึงจะมีสติเดินสายพายาไปทั่วว่าไง่รู้ว่าเรากําลังเดินเอาใครไม่รู้บ้างเวลาเดินรู้เย็เนรยอหนอนแข็งเอาเขาคนที่เดินเพื่อไปถ้าเขาเดินบนพรมเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอ่อนเออนุ่มดี ถ้าเดินบนถนนลูกรังก็รู้เลยเออมีแข็งรู้แค่นั้นเหรอรู้เดินเนี่ยใครก็รู้อยู่แล้วหลังเดี๋ยวเราลูกกลับไปนะเดินก็รู้ใช่ไหมใช่สติสัมปชัญญะไหมถ้าเดินกลับไปนี่เชื่อว่าเดินนึกสติสัมปชัญญะไหมถ้าเป็นจริงนะอีกเจ็ดปีโยมเบญจจาจะบรรลุานาคามีถ้าถ้าเดินแบบนั้นแล้วเป็นสติสัมปชัญญะจริงไหมเออถ้าถ้าเดินอย่างนี้นะแล้วเป็นสติสัมปชัญญะจริงนะเดินเนี่ยแบบรู้ตัวเนี่ยใครก็รู้ว่าตัวเองเดินเนี่ยอย่างนั่งเนี่ยรู้ตัวไหมมีสติม มีถ้ามีนะโ ย, ยมเนี่ยอยีเกเจ็ดปีจะบรรลุแล้วแต่คงไม่ใช่หรอกเขามาไม่เชื่อว่านั่นคือสติสัมปชัญญะไม่ใช่เพราะสติที่เรียกว่ามีสติมีสัมปชัญญะอย่างเดินเนี่ยทำไมจึงเดินได้เอาจิตปชาวายโยธาและจิตต้องอาศัยอะไรบ้างอาศัยวัตถุและอารมณ์จิตต้องอาศัยวัตถุและอารมณ์จิตจึงเกิดขึ้นเมื่อจิตเกิดขึ้นทำจิตตชรูปจิตตชรูปก็ทําให้รูปในสมุทฐานอื่นๆเนี่ยเดินไป เช่นว่าขณะที่เดินเนี่ยขณะที่ยกเท้าขึ้นย่างเท้าย้ายเท้าเนี่ยอันนี้ธาตุไหนมีกําลังธาตุลมกับธาตุไฟมีกําลังขณะที่ย่อนลงขณะที่เหยียบขณะที่ยันอันนี้ธาตุไหนมีกําลังธาตุน้ําเอ่อธาตุดินกับธาตุน้ํามีกําลังโดยอาศัยจิตชาวาโยเปนปัจจัยและจิตชนิดใดที่เป็นปัจจัยให้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะก็วิเคราะห์เพื่อนนี้ได้ทั้งหมด เวลาเห็นคนอื่นนั่งเราก็มองไปทีใส่ใจไปที่จิตเป็นสมุทฐานทําให้จิตชาวาโยเป็นไปกับการนั่งไหมถามจริงเหอะตั้งมาเนี่ยใส่ใจอย่างนี้ไ้สักครั้งรึเปล่าเนี่ยใว่าตอนเดินเนี่ยเดินเนี่ยดิยจิตชาวาโยเนี่นะทําให้นั่งเนี่ยถ้าลองทีหน้ามิถ้ามันแทรกนะจิตตชาวาโยที่อีกอย่างหนึ่งนะใส่ใจอย่างนี้มั้งเหรอผู้การใส่ใจใช่ไหมอ๋อมีตอนทานข้าวนะตอนนี้เลยเวลาอาหารมาหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่ไม่ง่ายเลยใช่ไหมว่าที่จะใส่ใจ เาบอกว่าจำเดิมแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายบรรลุพระโพธิญาณแล้วแม้วิญญาณทั้งสิบของพระองค์ก็น้อมไปเพื่อพระนิพพานอย่างเดียวเ อ, อนั่นแหละขอมาก็สงสัยอยู่ก็พูดตามไปดูบาลีว่าแปลผิดก็ไม่ผิดอีกก็เลยเก็เลยพูดตามไปก่อนเดี๋ยวเอาไว้เป็นโจทย์เดี๋ยวใครไปเจอมาเล่าให้ฟังบ้างนะถ้ามีโทรศัพท์ก็โทรไปบอกด่วนๆวน่าอยู่ที่ไหนเดีคุณหลานอ่านเจอผมไปบอกบางวิ ญ, ญญาณสิบมีอะไรบ้างเนะียที่น้อมไปสู่นิพพานเนะี่ยไปช่วยกันหากันแล้วกันใครหาเจอนะ ตามสันติจะให้รางวัลจะเขียนอนุโมทนาบัตรให้อย่างนี้นรืว่าฮันคาว่ามีสัมปชัญญะในการเดินเนี่ยนะก็ไปศึกษาเรื่องอิริยาบถสัมปชัญญะเอ่ อ, อิริยาบถบัพภากันแล้วกันว่าเดินอย่างไรโดยที่ไม่มีอภิชาเล โทมนัตยืนอย่างไรโดยที used, ok windows, Land, ่ไม่มีอภิชากับโทมนัตนั่งยังไงไม่มีอภิชากับโทมนัตนอนยังไงก็จะไม่มีอภิชากับโทมนัตก็คือสติปัฏฐานนั่นแหละเจรญเรื่องอะไรรูปสัตะรูปสัตตะโดยเฉพาะในส่วนที่มีจิตเป็นสมุทฐานยืนเดินนั่งนอนโดยที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มาวิเคราะห์ว่าจิตเราใดเป็นสมุทฐานให้ยืนเดินนั่งนอนเน่ยนะหลังของเรานี่เห็นยืนเดินนั่งนอนเห็นโยมนุษยืนเนื้อเห็นอะไรยืน จิตจิตเกิดจิตเป็นฮะรูปยืนแล้วทำไมจึงยืนได้ฮะนะก็บอกว่าจิตจิตเกิดขึ้นทําจิตตชาวายโยแผ่แผ่แรูปะนะแผ่วายโยเนี่ยลมพัดทั่วสารพรางกายก็ทําให้รูปเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในอิริยาบถยืนเนี่ยนะก็เพราะมีจิตเป็นสมุทฐานก็พิจารณาจิตจิตตะชาวายโยแล้วก็แต่ที่สําคัญเนี่ยรูปคืออะไรรูปที่เป็นไปกับการยืนคืออะไร คือผมขนเล็ดฟันหนังเป็นต้นที่มันตั้งอยู่ในอาการแบบนี้เรียกว่ารูปที่เกี่ยวกับการยืนและอะไรหนอที่ทําให้รูปเหล่านี้ยืนแม่ก็จิตตชาวาโวและอะไรเป็นสมุทฐานของจิตตชาวาโวก็คือจิตและอะไรเป็นปัจจัยของจิตแล้วถูกกับอารมณ์วละถูกอาอารมณ์เป็นปัจจัยที่สําคัญของ จ, จิตจิตจึงตั้งมั่นอยู่ในการยืนการเดนินการนั่งและการนอนสูตรเหล่านี้จริงๆแล้วหลายท่านนี่ก็ฟังมามากใช่ไหม อามาเจริญเป็นจริงเป็นจังวัละกี่ครั้งนะแค่มันนึกนะเนี่ยอย่างทุกคนที่นั่งอยู่นะจิตเป็นสมุทฐานให้นะนั่งนะจิตเป็นสมุทฐานให้จิตตชาวายูเกิดแล้วอิริยาบ ด, ดเป็นไปกับการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะอันเวลาเดี๋ยวก็กลับไปเนี่ยเห็นคนเดินเต็นถนนก็นึกว่าจิตจิตตชาวายูแล้วก็อิริยาบ ด, ดที่เป็นไปกับการยืนการเดินการนั่งนนการนอนการใส่ใจอ ย, อย่างนี้เบาอยๆมากๆเรียกว่าเรียกว่าอะไร มีสติสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะในการยืนเดินนั่งนอนอย่างของเราที่สมมติว่าเรานั่งนี่มีอะไรหนึ่งมีจุดจิตชาวายโยที่พัดผันแล้วก็รูปร่างกายก็ทําให้เกิดการนั่งอย่างไงนะก็สายใจอย่างนี้โดยที่ไม่ให้มีอภิชากับโทมนัตไม่มีความชอบความชังอยู่ในนั้นเลยเรียกว่ามีสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะโดยเฉพาะสัมปชัญญะคือหนึ สัมปัญญะปกติมีเท่าไหร่มี4 1, ี่หนึ่งสัตวกาศสัมปชัญญะสองโคสัตายะสัมปชัญญะสาโคจระสัมปชัญญะสีอสัมโมหสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นสัมปชัญญะสี่ในอิริยาบถสี่อ้นะสี่สี่ิบกูเจอได้ตั้งเยอะนะได้วิธีเจริญก็ตั้งเยอะนะแต่ทไมไม่ค่อยได้เจริญก็ไม่รู้เพราะมาก็ยังแปลกใจว่าทําไมไม่ค่อยได้เจริญอย่างที่ว่าเนี่ยนะเออโค ว, วิธีก็รู้อยู่แล้วว่าสูตรเนี่ยเป็นยังไงยังไงยังไงแต่ว่า ทำไมไม่ค่อยได้เป็นนะทันสัมปชัญญะสี่ในอิริยาบทสี่นั่นเองทีนี้ต่อไปว่าหากพิสูจน์นั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อจะพูดอ่ะนะอยากพูดและน้อมไปเพื่อจะพูดทำไงลนะ่ะเธอย่อมใส่ใจว่าเราจักไม่พูดเรื่องราวเห็นตามชนีซึ่งเป็นเรื่องเล่าสามเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของปุถุชนคนหนา ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไตเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไตเพื่อความคลายกำหนัดไม่เป็นไตเพื่อความดับกิเลสไม่ได้เป็นไตเพื่อสมบกิเลสไม่ได้เป็นไตเพื่อความรู้ยิ่งไม่ได้เป็นไตเพื่อปราสะรูปไม่ได้เป็นไตเพื่อนิพพานเรื่องอะไรบ้าง เรื่องพระราชาเรื่องโจรอัมมาตกองทัพเรื่องภัยเรื่องรคเรื่องข้าวเรื่องน้ำผ้าที่นอนดอกไม้ของหอมเรื่องหญ้าเรื่องยานบ้านนิคมนครชนบทสตรีคนกล้าหาญถนนหนทางที่ตักน้ำอย่างเงี้ยทาเสีในที่ตักน้ําคนตายแล้วเรื่องเบ็ะเตล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญเรื่องความเสื่อมเรื่องศาสนาทิฏฐิอุตชื่ททิฐิที่พย์ด้วยอำนาจอกุศลเนี่ยนะไม่สมควรเลย เนี่ยอย่างนี้แหละเรื่องมีสติสัมปชัญญะในการพูดว่าเราจะไม่กล่าวเดรัจฉานกระถาเนี่ยนะขณะเดรัจฉานกระฐายังไม่กล่าวจะกล่าวไปยังถึงมูสาวาสเป็นต้นเล่าเนี่ยนะเออแล้วถ้าคุยเรื่องเรื่องถนนหนทางผิดด้วยหรือผิดไหมอ้าวก็คุยเรื่องมรคใช่ไหมมรคไหนนี่ทางไปสู่นรก่ นี้ทางไปสู่เปรตอย่างเงนะี้ยนี้ทางไปสู่เดรัจฉานนี้ทางไปเกิดเป็นมนุษย์นี้ทางไปสู่เทวดานี้ทางแห่งพระนิพพานเออเรื่องทางแบบนี้น่าพูดนะะแต่ถ้าเป็ทางแข่งนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทางแข่งอนะ่ะนชังฆะาช่างฆ่าก็คือทางเดินอ่ะนะทั่วไปนี้ไม่สมควรเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเธอจะพูดก็ต้องใส่ใจว่าเราจะพูดเรื่องราวเห็นตาชนีดต้องเป็นเรื่องขัดกิเลสอย่างยิ่งเต็มที่สบาย ควรแก่การพิจารณาทางใจเป็นไจเพื่อความบื่อหน่ายโดยส่่นเดีเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับกิเลสเพื่อสงบกิเลสเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเรื่องที่ควรพูดเหล่านั้นคือ 1. มักน้อย 2. สันโดษ3วิเวก 4. ไม่คลุกคลี 5. าปรารบความเพียน 6. กเกษีล 7. สมาธิ8 ปัญญา9วิมุตติสิทวิมุตติยานัศน ะ, ะเรียกว่ากถาวัตถุสิทถ้าจะพูดก็พูดให้เป็นกถาวัตถุ10ทธิคนตั้งถามว่าวันนี้เว้นจากดิรชนกถาสามสิบสอเรื่องรู อ, อย่างกล่าวกถาวัตถุ10ิมากไหมแ น, น่นะก็สวดมนต์กันทั้งวันยังไงก็แสดงว่าใช่ละนะกะถาวัตถุแน่นอนเป็นเรื่องต้นแห่งพรหมจันทร์ถ้าหากว่าามีสัมปชัญญะพอที่จะเว้นจากวจีทุจริต กล่าวแต่ว่าจีสุจริตโดยเฉพาะกะถาวัตถุสิบเนี่ยนะเมืองกบิลพัทเมืองนี่แหละเป็นเมืองที่พระผู้เป็นเอิจตัคฆะในด้านการแสดงธรรมหรือที่เรียกว่าธรรมกถึกนี่นะคือใครคือพระปุณณนะเนื่องจากท่านเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในกถาวัตถุสิบแล้วก็สอนผู้อื่นให้ปฏิบัติอยู่ในกถาวัตถุสิบเนี่ยนะพระปุณณะเนี่ยเป็นเอิจตัคฆะเรื่องนี้เลย อย่างนี้แหละเรียกว่ามีสัมปชัญญะในการพูดเนี่ยนะทีนี้ถ้าจะตึกอะ่ะไม่พูดแล้วจะนึกอะ่ะอยากจะตึกเอาอตรึกว่ายังไงตรึกว่ายังไงดีคุณกตาหากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อจะตึกเธอย่อมใส่ใจว่าเราจะไม่ตรึกไปในวิตกเห็นตาลชนีดซึ่งเป็นวิตกที่เิวทามมากวิตกที่เป็นบาปอะนะเป็นวิตกของชาวบ้าน เอาก็าเราไม่ได้เป็นนักเบื่งนี้หรือ <c> เ <oughs> ่าก็เราไม่ได้เบื่อหนีเราก็คิดแบบนี้ก็ปกติใช่ไหมก็ไม่ควรพากตาเราอย่างนั้นก็แสดงว่าอนุรักษนิยม <c oughs> แสดงว่าปรารถนาจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมไม่เอนอะเราแบบ มันตรึกความตรึกใดที่เป็นเรื่องเลวซ้มเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของปุถุชนไม่ใช่เรื่องของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความบื่หน่ายคือวิปัสนาไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกำนัดคือมัจไม่ได้เป็นไปเพื่อดับกิเลสคือผลไม่ได้เป็นไปเพื่อสงบกิเลสคือพระนิพพานไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานสิ่งนั้นเนี่ยไม่ควรตรึกเลยคือคิดมากๆแล้วไม่ได้เป็นบาปแห่งมัจโผลนภุญญาอันนี้ไม่ควรตรึก คืออะไรกามาวิตกเนี่ยนะกามมวิตกดีนะเราไม่เห็นที่นาเขายมพ่อเอาไว้ให้ที่นาสิไรเถวนี่สนใจไหมโอ้ยดูทํานาเลยนะยคิดยาวเลยอย่างนี้เป็นอะไรวิตกกามาวิตกแน่นอนเนี่ยนะหรือพยาบาทวิตกแน่นะนะถ้าเป็นอะไรนะพยาบาทวิตกอะไรเกิดขึ้นเป็นยังไงพยาบาทวิตกเยี yeah, ่คิดดูเด็กมันเราองนี่คิดยังไงกันกรุณาเลยใช่ไหย นี่น่าจะไปร้องไกลๆหน่อยหนึ่งคือถ้าเป็นพยาบาทวิตกคือคิดอะไรแล้วก็หงุดหงิดแล้วก็รําคาญอันนั้นเรียกว่าพยาบาทวิตกส่วนวิหิงสาววิตตกอะต้นนึกตำหนินึกเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยนะทาไมแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าเขาไปหมดเลยเคิดว่าเป็นคนที่หาพบความเลวคนอื่นหมดเลยความดีมองไม่เห็นเลยนะเห็นแต่ความเลวคนอื่นนี่แหละเป็นลักษณะของวิหิงสาววิตตกคิดดูถ้าเห็นความเลวของคนอื่นจะเก็บมาชมใช่ไหม ไม่ใช่เลยนะก็ยิ่งมีแต่นี่แหละเป็นอากุศลวิตกเพราะฉะนั้นเรื่องตึกแบบนี้ไม่สมควรจะตึกเนี่ยนะและเธอย่อมใส่ใจว่าเราจะตึกวิตกเห็นตานี้เป็นวิตกที่เป็นวิตกของพระอริยะเป็นเครื่องนําออกจากวัตทุอันนั้นตรงนี้เนี่บอกชัดเจนแะล้ววิตกนี้เป็นเครื่องนําออกนะวิตกนี้นําออกจากวัตทุกเนี่ยนะ นำมาเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบนะสูตรเนี่ยบอกเลยว่าวิตกนี้สามารถทำพิสูจน์แห่งทุกให้ปรากฏโดยชอบแก่บุคคลผู้ทําตามเนี่ยนะคุณการตาเวลาไปอ้างสูตรระตรึกหรือไม่ก็เอาสูตรนี้ไปอ้างก็ได้มาสูญญาตะสูตรที่ว่าเธอใส่ใจว่าเราจะตรึกวิตกเห็นตานชนีดซึ่งเป็นวิตกของพระอริยะเป็นเครื่องนําออกที่นําออกเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแก่ผู้ทําตามคือหนึ่ง เนคขมารวิตก 2. อ, อัพภยาบาทวิตก3อวิหิงสาวิตกถ้าสังเกตดูตามนี้นะเขีง่ายๆว่าอาสุภาพนี่น่าตึกกับเมตานี่น่าตึกเออคือหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าอาสุภาพน่าเจริญกับภูมิหานนี่น่าเจริญเพราะเจริญอย่างนี้แล้วจะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกนําออกจากวัตฏะได้จริงเนี่ยนะถ้าถ้าเป็นไปตามนี้นะถ้าอย่างนี้แหละเรียกว่ามีสัมปชัญญะในการการตรึกที่จะเจริญสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะ ฉะนั้นเวลาพระพองค์เวลาจะสอนก็บอกเธออย่าคิดอย่างนี้ เ, เธอจงอย่าตรึกอย่างนี้จงตรึกอย่างนี้ที่เมืองเมืองพารณสีเนี่ยนะที่สอนตกินกะเทศนาแก่พระภิกษุพระภิกษุอะไรโกนทัญยะวัตป ะ, ะัตยามหานามาอัศชีเนี่ยนะบร ร, ร, รลุวัลองค์วัองค์แหละคือท่านพระพองค์เนี่ยไปสอนบอกเธอไม่ควรตรึกอย่างนี้ไปตึกอย่างนี้ถ้าตึกเป็นอกุศลไม่ตกเมื่อไหร่พระพองค์ก็ปรากฏเฉพาะหน้าละเธอไม่ควรตรึกแบบนี้ เธอต้องตึกแบบนี้เธอจงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้เป็นต้นเนี่ยพวกก็มาสอสนอย่างนี้ท่านเหล่านั้นก็เลยบรรลูเลยของเราที่เอาไม้ถ้าคนอื่นมาเตืนอนน่ะดีหรือไม่มาไม่ค่อยเชื่อหรอกทำไ ม, ไมรู้ไหมลองเพเจรับคนอื่นเขาขัดคอต่หนะ อ, อ, อหน้าเลยนะเบรกเอี๊ยดเฉพาะหน้าเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นนอเอาไว้อะไรจะเกิดขึ้น ขอบคุณมากที่ช่วยมาเตือนขอบคุณมากที่ช่วยแนะนําอ้ยขอบคุณจริงๆเลยนะเนี่ยดีนะว่ามาตัดเนี่ยมาตัดบาปอากุศลไปในระหว่างทางไงหรือเปล่าเขามาขัดคอระหว่างกำเนิด <c oughs> ไม่เลยนะน้อยนักกน่ะเพราะเขากํากลังเพอเจิดเต็มที่เลยนะใครมาขัดคอตอนนั้นนอืมเอ้ยแกกระชันชาตินี้สงสัยจะร่วมสังฆกรรมกันไม่ได้อีกต่อไปลนะมั้งนนะถ้าใครมาขัดคอบ่อยๆเขายิ่งเดือดร้อนมากเลยนะ เพจาะฉะนั้นก็หวังว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นนะก็ขอบคุณคนที่คนอื่นเขาช่วยเตือนเราในขณะเดียวกันคนที่เตือนเนี่ยนะก็เห็นเขาขอบคุณหนึ่งครั้งก็อย่าไปแมใช้ความสา ม, มารถเหล่านั้นเบี่ยงเข้านะเดี๋ยวก็จะคล้ายๆ ค, ค, คุณกาตาเนี่ยหนักๆ ก, ก็หัวเดียวก็เทียมรีบแล้วหาพวกคุยไม่ได้นะพูดความจริงแต่คนอื่นเขาไม่ชอบฟังงนะ่้ยไหนคำคุณกาตาเองนะว่าพูดความจริงแต่คนอื่นเขาไม่ชอบฟังเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเอาก็แล้วกันนะกระทาวัตถุนี่สําคัญมากเลย ความจริงก็เลือกการพูดเลือกการที่จะพูดเนี่ยนะความจริงเนี่ยพูดได้แต่คนพูดเนี่ยระวังดีกัน<笑><笑>แล้วนะกันก่อนนะเรียกว่าสําคัญมากก็คือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนและก็รู้บริษัทเนี่ยนะแยกให้ตนกันแล้วกันถ้าไม่เป็นเนี่ยนะจ่ายแพงมากตรงนั้นพูดคําเดียวบางทีอาจจะจ่ายหลายสตังค์มากทีนี้ต่อไปนะเมื่อเจริญได้อย่างนี้นะทบทวนนะมีอะไรบ้างหนึ่งทบทวนเนื้อหานะหนึ่งใส่ใจในเรื่องของ ทำสมาธิให้ตั้งมั่นในภายในก็คือการเจริญสมาธิเมื่อเจริญสมาธิพิจารณาสังขารเป็นภายในพิจารณาสังขารเป็นภายนอกทั้งภายในและภายนอกหรือไม่ก็น้อนไปเพื่อเจริญอรูปฌานอย่างนี้แหละเรียกว่ามีสัมปชัญญะในเรื่องสมาธิทีนี้ถ้าจะเป็นไปกับยืนเดินนั่งนอนนะ่ะก็ต้องยืนเดินนั่งนอนโดยที่ปราศจากอภิชากับโทมนัตคนที่จะปราศจากอภิชาโทมนัตก็คือละนิวรณ์ ยืนเดินนั่งนอนอยังไงนี่วะเมื่อกุ่มรวมแสดงว่าเขาจะต้องมีจิตดํารงมั่นในอะไรสติปัญญาสี่และอบรมโทษชงเจ็ดนั่นแลทีนี้ถ้าจิตน้อมไปเพื่อจะพูดก็ไม่พูดเดรัจฉานกถาเพราะไม่เป็นประโยชน์ไม่ได้เกื้อกูลต่อมรรคผลอะไรก็ไปพูดปัญหาวัตถุสิทธิ์ที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิทานถ้าเธอจะตรึกล่ะก็อย่าตรึกกามมัทิตตกเป็นต้นให้ไปตรึกในคำมัทิตตกเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ ก็มานะถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วตรวจสอบตัวเองดูตรวจสอบตัวเองวิธีตรวจสอบก็กล่าวว่าดูก่อนอโนนการมาคุณนี้มีห้าอย่างเลยห้าอย่างเป็นชนัยรูปที่รู้ได้ด้วยจักสูอันน่าปรารถนาน่าใครหน้ า, นาพอใจเป็นที่รักอ่าประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดเสียงที่รู้ด้วยหูกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกลิ้นเออเข้าไปรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นโกกะ โพธพาที่รู้ได้ด้วยกายอันน่าปราถนาหน้าคลหน้าพอใจประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดูก่อนอนอ น, นี่แหละกามาคุณห้าอย่างซึ่งเป็นที่ที่ภิกษุพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆว่ามีอยู่หรือหนอแลคิดง่ายๆว่ายังชอบสรูปอะไรอยู่หรือเปล่ายังติดใจในเสียงไหนอยู่ไหมนะยังชอบในกลิ่นไหนอยู่ไหม ยังชอบในรถอะไรบ้างยังชอบโพแต่ผ้อะไรบ้างเนี่ยก็มาทบทวนด้วยนะคิดไปตรงไหนก็ยาวเลยเป็นอย่างเงี้ไม่ใช่รู้ตัวเลยยาวเลยนะคิดบางเรื่องแนละ้วต่อเลย